บทที่66อนาคตตภั ย, 66, ตตภยเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนพระเจริญได้สำเร็จฌานโดยการเจริญปตวีกสิน เมื่อได้ปฐวีกสินสิอย่างหนึ่งแล้วผู้ตกสินอีกสามอย่างที่เหลือก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นอปนาสมาธิย่อมทำอะไรก็ได้หมดอย่างที่เนนเด่งพูดไว้ในสมัยท่านยังเป็นเด็กซุกซนจนกระทั่งมาเป็นพระเจริญก็ยังจำได้ไม่ลืมเลือนคุณเก่งมากคุณเก่งมาก ยังไม่เคยมีลูกศิษย์คนใดของฉันทำได้อย่างคุณเท่าที่ผ่านมาคนที่ได้เร็วที่สุดคือหนึ่งปีบางคนก็หลายปีกว่าจะได้แต่ส่วนมากมักจะเลิกกราไปเสียกลางคันเพราะละความเพียรหลวงพ่อเดิมออกปากชมศิษย์คนสุดท้ายแต่ยากเหลือเกินนะครับหลวงพ่อ ผมเองก็เกือบๆจะท้อถอยเสียหลายครั้งอาศัยที่ได้เคยลำบากมาก่อนเลยมุมาณะทาจนสำเร็จแต่จะว่าไปแล้วมันก็ยากเพราะตอนฝึกเท่านั้นพอได้เสียแล้วมันก็ง่ายนิดเดียวพระนมพูดจากประสบการณ์เขาเรียกว่ายากแท้แต่ไม่เคยยังไงล่ะหมายความว่าอย่างไรครับผู้อ่อนวัยกว่าไม่เข้าใจ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 การจะนำไปใช้นั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนเพราะหากนำไปใช้ในทางที่ผิดก็เท่ากับสะสมบาปกรรมไว้แบบเนี้ยสู้ไม่ได้เะยังดีเสียกว่าอีกประการหนึ่งที่ฉันขอเตือนก็คือของอย่างนี้เมื่อมีได้ก็เสื่อมได้เพราะยังเป็นโลกิยะต้องปฏิบัติต่อจนถึงขั้นโลกุตระจึงจะไม่เสื่อม ผมไม่เข้าใจครับหลวงพ่อเดิมมองหน้าภิกษุนมและรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเข้าใจจึงยังไม่อธิบายต่อภิกษุรูปนี้อายุยังน้อยยังไม่สนใจเรื่องที่จะปลีกตัวออกจากวัตะสงสารและที่สำคัญก็คือศรัทธายังอ่อนต้องรอให้ศรัทธาแก่กล้ากว่านี้ จึงจะก้าวต่อไปถึงขั้นโลกุตระได้วัยหนุ่มแน่นเช่นเขาสำเร็จถึงขั้นนี้ก็ดีถงไปแล้วเห็นท่านไม่ตอบพระหนุ่มก็ไม่ได้เซาซีให้ท่านอธิบายด้วยคิดว่ารู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้คุณยังไม่มองเห็นประโยชน์แต่วันข้างหน้าคุณจะได้เห็นแน่นอนพูดเหมือนรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรอยู่ เงียบกันไปครู่หนึ่งภิกษุชราก็ถอนหายใจใคล้ายมีความกังวลอยู่ลึกๆภิกษุหนุ่มจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อถอนหายใจทำไมเหรอครับช่างรู้สึกเป็นห่วงอนาคตนะสิคุณเป็นห่วงว่าในอนาคตจะหาพระดีๆมาสืบต่อพระาศาสนาไม่ได้ท่านถอนหายใจอีก แบบนี้เขาเรียกว่าห่วงพระศาสนาครับหลวงพอ่อไม่ใช่ห่วงอนาคตผู้อ่อนวัยตั้งใจยัว่วหมายให้ท่านคลายกังวลหากพิกสุชรายังคงนิ่งสายตามองไกลออกไปในความมืดพระเจริญเห็นอาการผิดปกติเช่นนั้นก็ใจเสียความกลัวที่ซ่อนลึกอยู่ในใจกำลังผุดขึ้นมา ท่านกลัวหลวงพ่อเดิมเจะละสังขารไม่ต้องกลัวฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกพิสุวัยร้อยเศษพูดขึ้นพระเจริญถึงขับสะดุ้งเมื่อได้ฟังเกรงจะถูกตำหนิว่าคิดอกุศลจึงพูดกลบเกลื่อนว่าหลวงพ่อไม่เคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนผมก็เลยใจไม่ดี ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าหลวงพ่อจะอยู่ไปอีกนานๆใช่ไหมครับฉันขอว่าจะอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละผู้อาวุโสกว่าเป็นฝ่ายยั่วบ้างแทนที่จะยั่วตอบพระนมกลับถามว่าเหตุใดหลวงพ่อจึงห่วงพระาศาสนาล่ะครับผมไม่เห็นว่าจะน้าห่วงตรงไหนเลยก็ทำไมจะไม่ห่วงละ่ะเพราะฉันรู้ว่า ในอนาคตจะหาพระดียากจะมีพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองมาหากินกับพระศาสนาพวกที่ตัวเป็นพระแต่ว่าใจเป็นมารถึงเวลานั้นผู้คนก็จะเสื่อมถอยด้อยปัญญาหันไปยึดมารและสรณะเรียกว่าทิ้งพระไปหามาร น, น่าสมเพชท่านสายหน้าช้าช้าและถอนหายใจอีกครั้ง เห็นพระหนุ่มไม่พูดว่ากะไรจึงปรารพต่อไปว่ามันก็ตรงกับพุทธธรรมนายนั่นแหละคุณรู้ไหมพระพุทธองค์ทรงธรรมนายไว้ว่าอย่างไรไม่ทราบครับนี่คือคำตอบแล้วอยากรู้ไหมอยากครับพูดเพื่อเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งเสียมากกว่าถ้าเช่นนั้นก็ตั้งใจฟัง เรื่องนี้พระองค์ตรัสไว้ในทุติยปันนาฏพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสองทรงแสดงอนาคตภัยห้าประการตรัสไว้ถึงสี่พระสูตรอนาคตภัยหมายถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมครับถูกแล้วทรงแสดงไว้ถึงสี่พระสูตรพระสูตรละห้าประการรวมเป็นยี่สิบ และที่ทำให้ชั้นกังวลมากที่สุดก็คือประการที่สี่และที่หในพระสูตรที่สซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าในอนาคตพิสษุทั้งหลายจะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมือม่อเป็นเช่นนี้เวลามีผู้อื่นแสดงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสไว้ มีอัฏฐะลึกซึ้งเป็นโลกุตระภิกษุเหล่านั้นก็จะไม่ตั้งใจฟังทั้งไม่เห็นเป็นเรื่องที่ควรท่องจำศึกษาหรือปฏิบัติตามแต่เมื่อมีผู้อื่นแสดงพระสูตรที่กวีแต่งไว้ประพันธเป็นบทกวีไพเราะมีจำนวนสละสลวยเป็นคำสอนของสาวกเป็นเรื่องนอกพระาศาสนาภิกษุเหล่านั้นจะตั้งใจฟัง แล้วก็เห็นเป็นเรื่องที่ควรท่องจำศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามนี่เป็นภัยในอนาคตข้อที่สี่ของพระสูตรที่สามหมายความว่าอะไรที่เป็นพระพุทธพจน์เขาไม่ยอมรับแต่จะไปรับสิ่งที่ไม่ใช่พุทธพจน์ใช่ไหมครับพระหนุ่มถาม เป็นอย่างนั้นของจริงเขาไม่เอาไปเอาที่ไม่จริงเพราะเขาไม่ได้อบรมศีลสมาธิปัญญาจึงรับของจริงไม่ได้รับได้แต่สิ่งไม่จริงเพราะมันถูกกับนิสัยของเขาถูกแล้วเพราะเหตุเนี้ยจึงพากันบิดเบือนพระธรรมวินยัยเพราะว่าของสูงตัวเข้าไม่ถึงก็เลยดึงให้ต่ำลง ต้องการทําให้พระธรรมวินัยเลอะแต่พระธรรมวินัยเป็นของบริสุทธิ์ใครจะทำอย่างไรก็มัวหมองไม่ได้จิตของผู้กระทํานั่นแหละจะมัวหมองเองและเมื่อจิตมัวหมองเขาก็ต้องไปอบ า, ายเพราะพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดว่าจิตเตสังกลิเต ท, ทุกขติปาติกังขา เมื่อจิตเศร้ามองทุกติย่อมเป็นที่หมายคนพวกนี้เมื่อตายก็ต้องไปนรกในอนาคตพระสงอ์องค์เจ้าจะไปตกนรกกันมากเพราะไม่เคารพพระธรรมวินยัยเมื่อไม่เคารพ ก, ก็จะพากันประกอบกรรมอันชั่วช้าเลวทรามนั่นสิครับผมถึงไม่อยากเป็นพระเพราะกลัวจะตกนรกอย่างที่หลวงพ่อว่า พระเจริญได้ทีที่จะพูดเรื่องศึกแต่ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพระที่ดีและก็ช่วยสืบต่อพระศาสนาให้ถาวรสืบไปเพราะอย่างน้อยคุณก็ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตแล้วหลวงพ่อเดิมก็ได้ทีเหมือนกันหลวงพ่อครับอนาคตภัยประการที่ห้า มีว่าอย่างไรครับท่านรีบเปลี่ยนเรื่องถามขืนพูดเรื่องเดิมก็รังแต่จะเข้าเนือ้อถึงคุณใหม่ถามฉันก็กําลังจะบอกอยู่พอดีอนาคตตภัยประการที่ห้านั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญา เมื่อเป็นเช่นนี้มีความประพฤติย่อย่อนจะเป็นแนวหน้าในการล่วงละเมิดทอดทุระในการอยู่วิเวกจะไม่ปรารรความเพียงเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งส่วนอนุชนรุ่นหลังจะถือพิกษุเหล่านั้นเป็นตัวอย่าง แล้วทำตัวเป็นผู้มักมากมีความประพฤติย่อหย่อนเหมือนกันจะเป็นแนวหน้าในการล่วงละเมิดทอดทุระในการอยู่วิเวกจะไม่ปรารบความเพียนเมื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุทธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อธรรมที่แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี่แหละภายในอนาคต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 พระเจริญสรุปอย่างรวดเร็วถึงไม่มีชั้นคุณก็ทำได้บอกชันสิวคุณจะรับช่วงหน้าทีอันนี้ฉ่นจะได้หายกังวลถ้อยคำของภิกษุชราทำให้พระหนุ่มพูดไม่ออกใจหนึ่งอยากจะรับปากเพื่อให้ภิกษุชราคลายกังวลแต่อีกใจท่านก็ไม่ต้องการดำรงอยู่ในสมณเพศ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 หากพูดเป็นการเป็นงานว่าคุณอย่าไปเอาลวงตาทุศีลรูปนั้นมาเป็นอารมณ์เลยนั่นแหละมารศาสนาตัวจริงละอย่าคิดว่าคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองจะต้องเป็นพระเสมอไปความเป็นพระไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบแต่อยู่ที่ใจดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่ใจโบราณท่านว่าว้ แต่ใจมันดูยากนี่ครับหลวงพ่อเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าคนนี้เป็นพระคนนี้เป็นมารพระหนุ่มแยงไม่ยากรกระคุณจําไม่ได้แล้วหรือที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าคนเราจะทำอะไรใจต้องมา ก, ก่อนเมื่อใจคิดอย่างไรก็จะแสดงออกมาทางกายทางวาจา ฉะนั้นจะดูว่าคนไหนเป็นพระคนไหนเป็นมารก็ต้องดูที่ข้อวัดปฏิบัติขอให้จำเอาไว้อย่างหนึ่งว่าในการข้างหน้าพระแบบหลวงตาวัดตนดจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและพระดีๆอย่างคุณก็จะหายากสุดยากเพราะอย่างนี้แหละฉันจึงไม่อยาให้คุณศึกหาลาเพศท่านวกกลับมาเรื่องเดิมอีก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 อันที่จริงฉันไม่น่าจะต้องมากังวลอะไรเพราะฉันเอาตัวรอดได้แล้วเพียงแต่เป็นห่วงพระศาสนาเท่านั้นท่านต้องการจะบอกว่าจิตของท่านเป็นโลกุตระแล้วจึงตัดความกังวลในเรื่องของตัวเองได้แต่น่าเสียดายที่จิตของพระนุ่มยังเป็นโลกิยะจึงมีอาจเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดเวลาห้าทุ่ม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 ยังเหลือแต่อบรมปัญญาอีกอย่างเดียวที่เขาจะต้องทำและสิ่งนั้นไม่ยากสำหรับเขาเพราะบุคคลที่มีจิตอบรมดีแล้วย่อมเกิดพลังที่เรียกกันว่าพลังจิตจิตที่มีพลังนี้สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นงานทางให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์หรืองานทางปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งก็ตาม ถึงกุฏิที่พักภิกษุวัย21จึงส่งน้ำชำระร่างกายให้สะอาดด้วยตั้งใจจะปฏิบัติกรรมฐานตามที่ได้เรียนมาจากพระครูสิงหราชมุนีท่านต้องการให้กรรมฐานเป็นตัวตัดสินว่าจะอยู่หรือจะไปคืออยู่ครองสำนัเพศหรือว่าเป็นคฤหัตสงน้ำและครองไตรจีวรเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มต้นปฏิบัติ ด, ด้วยการเดินจงกรม ซึ่งท่านคิดท่าเดินขึ้นมาเองคือก้าวเท้าขวากำหนดพุธก้าวเท้าซ้ายกำหนดโทเดินอยู่หนึ่งชั่วโมงจึงกำหนดนั่งแต่แทนที่จะกำหนดพุธหายใจเข้าโทหายใจออกดังที่เคยปฏิบัติท่านกลับเปลี่ยนมากำหนดประยองแทนคือประ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 จึงเห็นนิมิตเป็นภาพของแม่ประยงดูล่อนสวยงามกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นตั้งแต่ศีสะจรดปลายเท้างามไม่มีทิ่ติผมของหล่อนดกดำสลวยยาวประบาผิวพรรณนวลละอปากแก้มคิ้วคางดูงดงามไปหมดหล่อนยิ้มหวานเห็นฟันสีขาวซี่เล็กๆเรียงเป็นระเบียบงามจริงหนอท่านนึกชม แล้วเพ่งพิษตั้งแต่ปลายผมลงมาผมหล่อนเป็นมันดำครับช่างงามกระไรเช่นนั้นฉับพลันผมดกดำนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งศีสระท่านรำพึงว่าคนงามถึงผมงอกแล้วก็ยังงามและแล้วผมของหล่อนก็ร่วงลงมากรที่เท้าหรือแต่ศีสระล้านเลี่ยนถึงจะไม่มีผมหล่อนก็ยังงาม ดูฟันสีสวยราวกับไขมุกทันใดนั้นฟันของแม่ประยงก็ร่วงลงมากรอกับผมทำให้แก้มยุบลงไปทันใดถึงหล่อนจะไม่มีฟันแต่ผิวพันหล่อนก็ยังงามอยู่ดีพลันผิวพองกลับเหีียวย่นลงราวกับแกล้งภิกษุหนุ่มไม่ยอมแพ้คงรำพึงต่อไปว่าดูซีถึงผิวจะเหยียวยน่น แต่รูปร่างยังงดงามและแล้วรูปร่างงามนั้นก็เหลือแต่โครงกระดูภิสุวัยี่สิบสองยังคงรำพึงต่อไปว่าคนมันใจงามถึงจะเหลือแต่โครงกระดูกก็ยังดูงามวินาทีนั้นโครงกระดูกก็หล่นร่วงลงมกองรวมกับผมและฟันคราวนี้พิสุนุมม่อาจรำพึงต่อไปว่า กองกระดูกนั้นงามท่านได้แต่อัดอั้นอึดอัดต่อภาพที่เห็นร่างที่สวยงามของแม่ประยงไม่มีหลงเหลืออยู่นอกจากกองกระดูกที่หาความงามไม่ได้น่าเสียดายที่บารมีของพระพิสุยังไม่ถึงขั้นด้วยว่ายังไม่ได้อบรมปัญญามิฉะนั้นแล้ว ท่านคงจะยกจิตขึ้นพิจารณาไตรลักษณ์เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสังขารธรรมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะก้าวข้ามจากโลกิยะไปสู่โลกุตระเพราะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารทั้งหลายแต่ถึงแม้มีได้บรรลุถึงขั้นโลกุตระท่านก็ตัดสินใจได้แล้ว ท่านจะยังไม่ลาศิขากรจะอยู่ช่วยพระาศาสนาไปสักระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยศึกหากแม่ประยงรอได้ท่านจะแต่งงานกับหล่อนแต่ถ้ารอไม่ได้หล่อนจะไปแต่งงานกับชายอื่นท่านก็ไม่ขัดข้องปวงสตรียังมีอีกมากมายรอให้ท่านได้คถาเด็ดๆจากหลวงพ่อเดิมเสก่อนแล้วพวกสาวๆ ก, ก็จะวิ่งมาหาเอง โดยไม่ต้องพึ่งคาถาของหลวงพ่ออุ้ยที่ท่านยังจำได้แม่นยำโอมขี้พึ่งขี้พังสาวนั่งบนตอเส้งสาวไม่มาเราต้องไปหามันเองคนอย่างพระเจริญไม่จำเป็นต้องไปหาสาวเดี๋ยวสาวก็วิ่งมาหาเองไม่เชื่อก็คอยดู